หรือว่าเมื่อยกเอาเงินต้นเงินปลายขึ้นแสดงก็ไม่ยกไอออดิตหรืออนาคตขึ้นแสดงจึงรวมเป็นแปดและโดยที่ข้ออวิชชานี้เป็นข้อสำคัญในพุทธศาสนา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 ซึ่งเป็นธรรมชาติประพัดสอนคือผุดผ่องต้องสอมองไปพระอุปกิเลสคือกิเลสเครื่องสอมองทั้งหลายที่จอรเข้ามาเพราะฉะนั้น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 ซึ่งมีอยู่ในจิตใจของตนเองได้ก็ยังเป็นการเริ่มต้นแห่งความรู้ในเรื่องอวิชชานี้ยังจะได้แสดงอธิบายประมวลกันเข้าอีกครั้งหนึ่ง อวิชชาคือไม่อย่างรู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่คือในทุกในเหตุเกิดทุกในความดับทุกในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนี้เป็นหลักและ เพื่อที่จะได้แสดงขยายความถึงก ร, ริยศสัตว์ทั้งสี่นี้สำหรับที่จะได้เป็นทางพิจารณา เพื่อทำความรู้ความเข้าใจจึงได้มีแสดงต่อไปอีกสองนยัยยะยกเอาอาดีตอนาคตขึ้นแสดงหรือว่ายกเอาเงื่อนตน้นเงื่อนปลายขึ้นแสดงดังที่กล่าวมาแล้ว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 อีกอย่างหนึง่งเมื่อเริ่มกระทำอะไรอยู่ในปัจจุบันอันนับมาเป็นส่วนเหตุก็ไม่รู้จักที่จะคาดหน้าเป็นในอนาคต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 ก็เท่าว่าเป็นเงื่อนปลายไม่รู้จักคาดนาคือไม่รู้จักย่างถึงผลที่ยังเปิดที่จะบังเกิดขึ้นข้างหน้าดังนี้จึงเรียกว่าไม่รู้จักอนาคตก็เท่ากับว่าไม่รู้จัก เงื่อนปลายที่แสดงไว้ในในยะที่สองและความที่ไม่รู้จักที่จะโยงอดีตและอนาคตเข้าถึงกัน คือไม่อย่างรู้ถึงเหตุและผลหรือว่าผลและเหตุที่โยงกันอยู่ ก็เรียกว่าไม่รู้จักทั้งในอดีต ท, ท้งอนาคตหรือว่าไม่รู้จักทั้งเงื่อตนต้นทั้งเงื่อนปลายดังกล่าวไว้ในระยะที่สองส่วนที่ ไม่รู้จักธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นอันเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นก็ได้แก่ไม่รู้จัก ดังที่ทันพระสาริบุตรได้แสดงเทราธิบายมาโดยลำดับดังที่ยกมาแสดงไว้ที่ลำดัดจับตั้งแต่ชรามรณะโสกปริเทวะ คือความโศกความรังเกียจความขรุญรใจเป็นต้นว่ามีเพราะอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดชาติคือความเกิดมีเพราะอะไรก็เพราะพบคือความเป็น ภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปาทานคือความคิดถืออุปาทานมีเพราะอะไรก็เพราะตันขาความริ้นรนทยานอยากตันหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนาเวทนามีเพราะอะไร ก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะทั้งหอายตนะทั้งหกมีเพราะอะไรก็เพราะนามารูปนามารูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขาร สังขารมีเพราะอะไรก็เพราะเอาวิชาเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงอาวิชาเอาวิชาจึงเท่ากับเป็นเงื่อนต้น สังขารเท่ากับเป็นเงื่อนปลายและสังขาร น, นั่นเองก็เท่าก็เป็นเงื่อนตน้นบิณ ญ, ญาณเท่ากับเป็นเงื่อนปลายก็ทยอยกันไปดังนี้จนถึงชรามราณะโสกบุริเทวะเป็นตน้น และก็อาจกล่าวได้ว่ า, าวิชานั้นก็เป็นปัจจุบันก่อนและเมื่ออวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาราวิชาก็เท่ากับเป็นอดีตสังขารก็เป็นปัจจุบัน เมื่อสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณสังขารก็เท่ากับเป็นอดีตวิญญาณก็เป็นปัจจุบันก็โยงกันไปดังนี้ซึ่งความรู้จักปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นนี้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 สังขารเก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งเป็นต้นโยงกันไปอาศัยกันไปและท่านพระสาริบุตรได้มาจับอธิบายลูกโซ่แต่ละลูกโซ่นี้แยกออกไปเป็นสี่เป็นสี่ คือโลกโลกโซอันหนึ่งอันหนึ่งก็เท่ากับเป็นอริยสัตว์สีอริยสัตวสี่ไปทุกลูกโซดังในลูกโซอวิชานี้ท่านแจกไปเป็นสี่ดังที่กล่าวมาข้างตน้นคือไม่รู้จักอวิชชาไม่รู้จักเหตุเกิดอวิชชาไม่รู้จัก ความดับเอาวิชาไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเอาวิชาลูกโซ่อื่นๆถัดไปตั้งก็แจกเป็นสี่เป็นสี่คือเป็นอริยสัจสี่ไปทุกลูกโซ่ซึ่งเป็นการแสดงอธิบายอย่างละเอียดพิสดาร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 แต่เมื่อถึงอาสวะทางลายทั่นก็แจกออกไปอีกเป็นสี่เหมือนกันแต่ว่าเหตุเกิดอาสวะนั้นคืออะไรท่านก็เชีย่ยเอ า, อาวิชาก็บริก็เป็นอันว่าในประเทศราธิบายนี้มี่เพิ่มปฏิจจสมุปบาท พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ไปอีกเงื่อนหนึ่งคืออาสวะซึ่งจะยังไม่แสดงอธิบายในวันนี้ก็เพียงแต่กล่าวย่อคำปฏิจจสมุปบาท อัรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นไว้เสียก่อนคราวหนึ่งเพราะฉะนั้นอวิชชาแปดนี้จึงมีอริสัต4สี่เป็นหลักและอีกสี่ข้อข้างหลังก็มีสองในย่าดังนี้กล่าวมาแล้ว แต่ก็มีความอธิบายที่สัมพันธ์กันอีก4ข้อสองในยะข้างหลังนั้นก็เป็นการอธิบายอริสส4นั่นเองอันเกี่ยวด้วยการเวลาเกี่ยวด้วยเงื่อน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 หรือได้ง่ายขึ้นข้อที่คน้นอธิบายเพิ่มเติมก็คือการเวลานั้นย่อมควบคู่กันไปกับไตรลักษณ์ คืออนิจจตาความไม่เที่ยงหรืออนิจจลักษณะเครื่องกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์หรือทุกขลักษณะเครื่องกำหนดหมายว่าเป็นทุกอนัตตาความเป็นอนัตตาหรืออนัตตลักษณะ เครื่องกหนดหมายว่าเป็นอนัตตาความเป็นไตรลักษณ์ย่อมมีก็เพราะมีการเวลาคือมีอดีตมีอนาคตมีปัจจุบัน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 คือสังขารนี้เองแสดงตัวออกว่าอ น, นิจจะไม่เที่ยงต้องเกิดดับทุกขะเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลีป่ยนแปลงเบ็นอนัตตาบังคับให้เป็นไปตามปารารถนาไม่ได้มิใช่ตัวเราของเราอย่างแท้จริง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 ส่วนที่ยังไม่มาถึงเป็นอนาคตอนาคตก็มาเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันล้วก็เป็นอนดีตนั่นมีปัจจุบันก็เพราะมีอน า, า, อนาคต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 สังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายซึ่งมีชาติเป็นเบื้องตน้นจึงต้องมีชาราต้องมีมรณะแต่หากว่า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 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่อายุก็ต้องล่วงไปล่วงไปจนในที่สุดก็ถึงเวลาที่แตกสลายชาชรามรณะอันเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสังขารทั้งหลายนี้ ยังเป็นไปตามกาลเวลาการเวลานี้เองก็เป็นตัวไม่เที่ยนตัวทุกข์เป็นตัวอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาสิตกลัดเอาไว้ว่ากาลเวลาย่อมกินสรรพสัพตว์ทั้งหลาย รอมทั้งตัวเองคือการเวลานี่กินผู้ที่เกิดมาคือสัตว์ประสัว์ทั้งหลายด้วยและกินตัวเองด้วยสัตว์สัตว์สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งเกิดมาก็ต้องตกอยู่ในใจลักอนิจจังทุกขังอนัตตาการเวลาเองก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากินสรรพสัตวทังหลายด้วยกินตัวเองด้วยดังนี้เพราะฉะนั้นทุกๆสิ่งที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาคือเป็นกาลิโก ประกอบด้วยการเวลาย่อมตกอยู่ในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกขทางนั้นเป็นสังขารทางนั้นส่วน ธรรมชาติที่พ้นจากการเวลาจึงจะเป็นวิสังขาร